การที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านเป็นการแสดงว่าท่านมีความยินดีในธรรมอย่างยิ่งซึ่งการยินดีในธรรมนี้ เป็นการยินดีที่เหนือกว่าความยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนั่นเองซซ่งรสแห่งธรรมก็เป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองไม่มีรสอะไรในโลกนี้เช่นรสของลาบยศสรรเสริญรสของรูปเสียงเกลื่อนรสต่าง จะสู้ลดแห่งธรรมไม่ได้ลดแห่งธรรมก็คือรดของมรรคผลนิพพานรดของการหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจะสัมผัสกับลดแห่งธรรมได้เราก็ต้องมีความยินดีในธรรมเมื่อเรามีความยินดีเราก็จะแสวงหาธรรม ปฏิบัติธรรมพอเราได้ปฏิบัติธรรมรดแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงรักษาความยินดีในธรรมนี้ไว้ให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่าให้ความยินดีอย่างอื่นเช่นความยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆมา แย่งความยินดีในธรรมนี้ไปเพราะถ้าเราถูกลดแห่งถ้าเราถูกความยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกล่นลดต่างๆดึงไปเราก็จะไปติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกล่นลดนี้ จะดูดให้เราติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เราไม่มีวันหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนอกจากความยินดีในธรรมนี้เท่านั้นที่จะดึงจิตใจของพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บใจการเกิดแก่เจ็บตาย เพื่อให้เราได้ไปสู่พระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจึงพยายามควรพยายามรักษาความยินดีในธรรมนี้ไปอย่างสม่ำเสมออย่าให้ศูนย์หายไปเป็นอันขาด พยายามรักษาไว้ให้ดี <c oughs> แล้วความยินดีในธรรมนี้จะพาเราไปสู่ธรรมต่างๆที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆธรรมที่เราควรยินดีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ดังต่อไปนี้คือหนึ่งให้เรามีความยินดีในความมากน้อยสอง ให้มีความยินดีในความสันโดษก็ ย, ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับไม่โลภไม่อยากให้ได้มากกว่าเท่าที่ได้มาสามให้ยินดีกับการปรีกวิเวก ให้เราชอบไปอยู่ที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ 4. ให้เรายินดีกับการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันให้เราอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปสังคมกัน ก็ะจะไม่ได้ทําให้จิตใจเราได้ธรรมะนั่นเองธรรมจะเกิดถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ตามลําพังอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกถ้าให้เรายินดีกับการทําความเพียรในการสร้างธรรมะที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือห ให้ยินดีกับการรักษาศีลทําความเพียรกับการรักษาศีลเจ็ดให้มีความยินดีกับการปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตได้สงบได้เป็นสมาธิ8ปให้ยินดีกับการเจริญปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นผู้ที่จะ พาให้จิตใจได้หลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็เก้าให้ยินดีกับวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและสิบให้ยินดีกับวิมุตติยาณทัศนาะ คือญาณที่ได้สั่งทราบว่าจิตของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือธรรมที่เราควรที่จะยินดีกันสนใจกันศึกษากันสร้างสารรค์กันขึ้นมาถ้าเรามีความยินดีในธรรมสิบประการนี้แล้วรถแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมท่านได้รุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยความยินดีในธรรมทั้งสิบประการนี้ดังนั้นขอให้เราสำรวจ ดูในตัวของเราในใจของเราว่าเรามีความยินดีอยู่กับธรรมเหล่านี้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีความยินดีเราก็ต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เราเกิดความยินดีให้ได้ด้วยการคิดถึงผลที่จะตามมาถ้าเราไม่ยินดีในธรรมทั้งสิ์ประการนี้ เราก็จะไปยินดีในสิ่งอื่นเช่นเราก็จะไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสพธตภะกับบุคคลต่างๆเมื่อถ้าเราไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นใจของเราก็จะติดกับของการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันที่จะเล็ดลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย แต่ถ้าเรามีความยินดีกับธรรมที่พรธเจ้าทรงสอนให้เรายินดีทั้งสิบประการนี้เราก็จะได้มีโอกาสหรือได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไปถึงพระนิพพานแดนอันกเกษมสันแดนที่มีแต่บาลมังสุขขังคือมีปรมมประสไปอย่าง ไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้ายินดีในธรรมก็จะได้ความสุขที่ถาวรถ้ายินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะได้ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราต้องเปรียบเทียบสิ่งที่เรายินดีว่าจะให้อะไรกับเราเช่นถ้าเปรียบพูดแบบภาษาชาวบ้าน ชาวบ้านเขาจะยินดีกับเงินกับทองเขาจะไม่ยินดีกับเศษขยะกองขยะเพราะเขารู้ว่าเงินทองนี้ทำให้เขาซื้ออะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับเขาได้แต่เศษขยะหรือกองขยะนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยเขาจึงไม่ยินดีกับกองขยะเศษขยะกันเขาจะยินดีกับเงินกับทองกัน จันใดพวกเราก็ควรที่จะเปรียบเทียบว่าเงินทองที่แท้จริงก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เองคือรถของมรรคผลนิพานรถของการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นเหมือนเงินทองส่วนลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลื่นรถนี้เป็นเหมือนกองขยะเพราะมันจะ ให้ความทุกข์กับเรานั่นเองเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันพัดภาคจากกันไปเวลาที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราจะต้องจากเขาไปหรือเขาจากเราไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ ไม่ยินดีกับกองขยะแล้วไปยินดีกับกองเงินกองทองก็คือรถแห่งธรรมนี่เป็นเหมือนกองเงินกองทองรถของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรถนี้เป็นเหมือนกองขยะถ้าเราเปรียบเทียบเราก็จะเห็นภาพแล้วก็จะทําให้เรามีความยินดีที่จะเข้าหา ทำที่พระเจ้าทรงสอนให้เข้าหาคือเราก็เจ้าจะเข้าหาความมักน้อยเมื่อก่อนเราอาจจะมกักมากเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นโทษคนส่วนใหญ่นี้คิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขจะมีความสุขมากๆแต่เขามองไม่เห็นความทุกข์ที่เขาได้รับจากการมีความมากๆ เพราะเมื่อมีความมากๆเขาก็ต้องทุกกับการแสวงหาสิ่งที่เขาอยากได้มาแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับการพัดภากจากของที่เขาหามาได้เนี่ยเป็นความทุกข์ยิ่งมีความมากๆก็ต้องทุกข์มากต้องหามากต้องดูแลรักษามากต้องเสียมากต้องพัดภากจากกันมาก แต่ถ้ามีน้อยก็มีความทุกข์ในการหาน้อยลงไปมีความทุกข์ในการดูแลรักษาน้อยลงไปและมีความทุกที่เกิดจากการพัดพากจากกันน้อยลงไปนั่นเองมีความมักน้อยนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจเพราะจะลดความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจทุกที่เกิดจากการอยากได้ ทุกที่เกิดจากการต้องดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาทุกที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่ได้ไปอันนี้ความมักน้อยเป็นธรรมที่วิเศษจะทำให้เราอยู่อย่างสบายมีเวลาที่เราจะได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมที่เราควรที่จะมกักมากกันธรรมที่เราควรจะมกักมาก ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเราอย่ามีเวลาก็ต่อเมื่อเรามีความมาักน้อยในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือปัจจัยสี่ให้เรามาักน้อยให้มีเท่าเอาเท่าที่จำเป็นก็พอเช่นอาหารก็รับประทานวันละมือ้อ เสื้อผ้าก็เอาสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองอันนี้มีสามชุดก็พอที่จะอยู่ได้เหมือนกับพระสงฆ์มีผ้าไตรมีผ้าสามผืนผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนผ้าห่มกันหนาวผือนอันนี้ก็สลับใช้กันได้เวลาที่จะต้องซักผ้านุ่งก็เอาผ้าห่มมาห่ม เวลาที่จะต้องซักผ้าผมก็เอาผ้านุ่งนุ่งเอาผ้าห่มกันหนาวห่มไว้ก่อนก็พอถูถ่ายอยู่ไปได้การมีน้อ ย, อยก็จะทําให้ไม่มีภาระมากกับการดูแลรักษามีมากก็ต้องดูแลรักษามากมีน้อยก็ดูแลรักษาน้อยไม่ต้องมาเหน็ดมาเหนื่อย การรับประทานอาหารก็รับพอประมาณที่อยู่ก็เอาพอที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พออย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ให้ทํากระต๊อบหรือทําเพลิงอะไรอยู่ในป่าอยู่แบบง่ายๆเอาใบมุงใบไม้เอากิ่งมง้งกิ่งไม้เ อ, เอากา้กานมุงก้านไม้มา ทำเป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไว้สําหรับเป็นที่จะเดินสมาธิจะเดิญปัญญาได้ก็พออย่าไปหลงไหลข้างใครกับค้าวเลาหาดอันใหญ่โตต้องสร้างบ้านมีบ้านเป็นมีห้องเป็นสิบสิบห้องมีแล้วก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลรักษาเหน็ดเหนื่อยกับการมาสร้างอ เหนื่อยมากับการดูแลรักษาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้อยู่เพราะจะต้องออกไปหาเงินหาทองอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างบ้านที่ใหญ่โตหรือมามาดูแลรักษาบ้านที่ได้สร้างมาจ่ายค่าใช้จ่ายเพราะบ้านยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้คนมากเพื่อที่จะมาดูแลรักษา ความสุขที่ได้จากบ้านใหญ่โตนี้แทบจะไม่มีเลยมีแต่ความทุก์ในการที่จะต้องหาต้องดูแลรักษาต้องกังวลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอยู่กันอย่างมักน้อยเอาเท่าที่จำเป็นบ้านถ้าไม่มีเงินซื้อสร้างก็เช่าอยู่ไปก็ได้เช้าห้องพักอะไรไป พอมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภยัยอันตรายต่างๆได้ก็พอแล้วตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีทำไมต้องซื้อมันทำไมตายมันก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปซื้อเช่าไปดีกว่าไม่ต้องเสียเงินสร้างไม่ต้องเสียเงินดูแลรักษาเช่าเขาจข่ายค่าเช่าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเชาง่าแพงๆก็ได้ เช่าเท่าที่มันพอให้เราอยู่ได้เพราะถ้าเราใช้เงินในการเช่าบ้านน้อยเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมากนั่นเองเราต้องการที่จะดึงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะผลที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเป็นความสุขล้นๆ้นเป็นความสุขที่วิเศษ วความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้ปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือที่อยู่อาศัยความสุขจากปัจจัยสี่นี้มันมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมเราอย่าเสียเวลากับการไปาหาปัจจัยสี่มาแบบเกินความจำเป็น แบบโลกมากอยากได้บ้านใหญ่ๆโตๆราคาสิบล้านร้อยล้านอยากได้ข้าวของต่างๆมาใส่ไว้ในบ้านอยากได้อะไรต่างๆมาให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการกระทาเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีวันที่จะเข้าหาพราะธรรมอันตรเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ จะทําให้เราไม่มีวันที่จะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ไปปีกวิเวกได้ไปอยู่คนเดียวได้ดังนั้นความมักน้อยนี่เป็นธรรมที่สําคัญเป็นธรรมข้อแรกที่ผู้ปฏิบัติผู้หวังมักผลนิพพานผู้หวังลดแห่งธรรมควรจะให้ความยินดีกันคือยินดีในความมักน้อยขอให้มีเท่าที่จําเป็นก็พอ อย่างในหลวงท่านสงสอนอยู่เสมอคือเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือความมักน้อยเน่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาพอให้พออยู่ได้พออยู่ได้ก็ใช้ได้แล้วสำหรับภาพภิกษุนี่พระพุทธเจ้าก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงว่าเอาผ้าไต่สามผืนก็พอแล้วเอาที่อยู่ในป่าในเขาก็พอแล้ว อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างพอหลบแดดหลบฝนได้พอใช้เป็นที่บำเพ็ญจิตตะภาวนาปฏิบัติธรรมได้ก็พอแล้วแล้วจีจะมีความสุขจะมีเวลาสร้างลถแห่งธรรมขึ้นมานั่นเองจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาสร้าง สิ่งต่ตางๆเพื่อมาดูแลรักษาร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความสุขที่สร้างให้กับร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องสูญมันก็ต้องหมดไปแต่รถแห่งธรรมที่เราสร้างให้กับใจนี้มันจะไม่มีวันหมดมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายมันจะอยู่กับใจที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายไปตลอด จึงอย่าไปให้ความสำคัญกับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายให้มากจนเกินความจำเป็นเกินความพอดีเกินความพอเพียงอันนี้คือความมักน้อยข้อที่สองก็คือความสันโดษคือให้เรายินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะไม่พอก็ให้ ย, ยินดีไว้ เช่นวันนี้อาจจะหาอาหารมารับประทานไม่ได้ก็ให้ยินดีกับการอดอาหารไปถ้าเราจะมองในมุมกับการอดอาหารนี้มันก็เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการความเกลียดค้านเกี่ยวกับความง่วงเหงาหาวนอนผลผลที่เกิดมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปถึงต้องอดอาหารกัน เวลาอด อ, อาหารแล้วร่างกายจะเบาตัวเบาใจเบาจะไม่ขี้เกียจจะขยันภาวนาจะทำให้ใจสงบได้อย่างง่ายได้อันนี้ก็ถ้าเราเป็นผู้ที่สันโดษเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนพระธุดงที่ท่านไปอยู่ในป่านี้ท่านไม่ค่อยกลัวเรื่องของความอดอยากขาดแคลน ท่านไปอยู่กับชาวเขาในเะช่นหลวงปู่มั่นท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่ในป่าในเชียงใหม่ต้องพึ่งป่าอาศัยชาวป่าชาวเขาที่ไม่รู้ภาษีภาษาที่ไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีอาหารอะไรมากมายกายกองเขาใส่อะไรมาให้ท่านท่านก็ยินดีตามมีตามเกิด ไม่ค่อยคิดที่อยากจะกลับไปหาอาหารในเมืองที่มีรสอันโอชะที่กินแล้วทำให้อิ่มมีพีมันทำให้ง่วงเหาหานอนทำให้เกลียดค้านถ้ากินอาหารของชาวป่านี่มันกินมันไม่มีอะไรจะกินมากนอกจากข้าวกับผักจิ้มน้าพริกเท่า น, นั้นเองที่เขากินกันที่เขาใส่บาทให้ท่านฉันแอ่ท่านก็มยินดีท่านพอใจ ตามมีตามเกิดนีสิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่อาหารที่ท่านไปอยู่ในป่าท่านต้องการสถานที่สงบสงัดวิเวกเนี่างกายจากรูปเสียงกิ่นนอสต่างๆที่คอยจะมาคอยยั่วยวนกวนใจที่จะมาทําลายความเพียรของท่านท่านก็ยอมอดยอมทนอยู่แบบยินแบบตามมีตามเกิด การอยู่แบบนี้นี่แหละที่ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นท่านอยู่ในบ้านในเมืองท่านก็กินอาหารแบบชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ติดอยู่กับภารกิจกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ท่านก็ไม่ได้บรรลุสักทีจนถึงวันปลายของชีวิตท่านช่วงระยะเวลาอายุประมาณหกสิบปีมั้ง ที่ท่านไปปริกวิเวกอยู่ในเชียงใหม่สิบปีด้วยกันระหว่างอายุหกถึงเจสิบปีท่านไปอยู่ในป่าในเขากับชาวป่าชาวเขาไปอยู่แบบมากน้อยสันโดษไปปริกวิเวกไปบำเพ็ญความเพียรไม่คลุกคลีกับใครเวลาใครจะมาหามาขอศึกษาอยู่กับท่านท่านจะหนีทันทีหรือท่านจะให้เขาไป ถ้าเขาไม่ไปท่านก็จะหนีท่านไม่ต้องการที่จะคุกคีไม่ต้องการเสียเวลากับการพูดการคุยการสั่งการสอนเพราะเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาสั่งสอนใครเวลานั้นเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมถ้ามัวแต่สั่งสอนคนอื่นก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติเพราะสั่งสอนแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเพิ่มมาเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเมื่อ คนที่ได้มารับการสั่งสอนแล้วก็จะไปบอกคนอื่นต่อคนอื่นก็อยากจะมาก็มากันพอมากันเยอะๆก็ต้องมีการก่อการสร้างการทำอะไรเพื่อให้อยู่กันได้ต้องสร้างที่อยู่อาศัยต้องสร้างโรงครัวสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาในที่สุดก็กลายเป็นเมืองไปกลายเป็นบ้านไปไม่ได้เป็นที่สงบสงัดวิเวก ท่านตอนที่ท่านเบล์เพนช่วงนั้นท่านเองไม่รับไข่เป็นลูกศิษย์เลยถ้ารับก็จำเพาะช่วงเวลาเข้าพรรษาพอดีมันจำพรรษาต้องอยู่อะก็อยู่ตรงนั้นไปพอออกพรรษาท่านก็หนีแล้วเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมกดเตรียมอะไรพอถึงวันออกพรรษาไปจาริกได้ท่านก็ไปไม่ให้ไข่ติดตามไปเพราะท่านต้องการปีกวิเวก ไม่ต้องการคุกคลีกับใครต้องการทำความเพี่ยนจึงทำให้ท่านสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาจนได้วิมุตติคือการหลุดพ้นและวุพิวิมุตติญาณทัศน ะ, ะคือญาณที่อย่างทราบว่าจิตได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือเรื่องของความมักน้อยและความสันโดษ เมื่อเรามีมากน้อยมีสันโดษมันก็จะทําให้เราไปปรีกวิเวกได้เพราะการไปปลีกวิเวกมันจะต้องไปอยู่ในที่ธุระกันดานที่อดอยากขาดแคลนไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่กับในบ้านในเมืองที่มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างมีน้ำมีไฟฟ้ามีห้องน้ำห้องท่ามีอะไรต่างๆเต็มไปหมด ไปเปกไว่เวกในป่านี้ห้องน้ำห้องท่างก็ไม่มีห้องน้ำก็คือห้องน้ำของสัตว์นี่แหละสัตว์เขาใช้ห้องน้ำเขาขับเขาถ่ายกันอย่างไรก็ขับถ่ายเหมือนกับสัตว์นี่นแหละสัตว์เขาไม่มีห้องน้ำเขาก็อยู่ของเขาได้เขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเขาก็อยู่ของเขาได้คนเราที่วิเศษกว่าเก่งกว่าสัตว์ทำไมจะอยู่ไม่ได้ นี่คือความมักน้อยสันโดษพาให้สามารถไปปีกวิเวกอยู่ในป่าอยู่ตามลําพังได้ไม่ต้องคุกครีกับใครไม่ต้องพึ่งพาใครถ้ายังต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้อยู่ก็ต้องไปคุกครีกับเขาต้องมีสัมพันธ์ทําไมดีกันต้องมีการสังคมกันมีการพบปะกันอมีกิจอะไรก็ร่วมกันทำํำมันก็เลยไม่สามารถที่จะไป ทำกิจที่ต้องทำเพียงคนเดียวได้คือการไปเจริญศีนสมาธิปัญญาจึงต้องไปปีกวิเวกแล้วก็ไม่คุกคลีกับใครอันนี้เป็นธรรมที่เราควรจะยินดีคือการปีกวิเวกเรามีความยินดีในความมักน้อยยินดีในความสันโดษแล้วเราก็จะยินดีในการปีกวิเวกได้ เว้นดียินดีกับการไม่คุกคลีกับไข่ได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยไข่เราสามารถอยู่ตามมีตามเกิดได้นอนกับดินกินกับทรายได้อดอดมือกินมือได้อันนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องไปคุกคลีกับไข่ไปพึ่งพาอาศายัยไข่แล้วก็จะทําให้เรามีเวลาที่จะมาสร้างความเพียรกันทําความเพียรกัน เพียนอะไรเพี้การรักษาศีลให้สะอาดบอยสุดการกระทำทางกายวาจาไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษไม่มีความยินดีในลาบยศสัรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรดแล้วรับรองได้ว่าการรักษาศีล น, นี้จะรักษาได้อย่างง่ายดาย คนที่รักษาเสียกันไม่ได้ก็เพราะยังมีความยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสในสิ่งต่างๆอยู่พออยากได้อะไรมาก็ทําให้คิดไปในการทําบาปนะเพราะมันได้มันอย่างง่ายดายกว่าการที่จะหามาโดยไม่การไม่กระทําบาปนั่นเองอยากได้เงินไปทํางานมันก็ได้น้อยกว่าจะได้ก็นาน ไปขมโมยไปช่อโกงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปโกโหกหลอกลวงเดี๋ยวก็ได้แล้วเงินมาอันนี้นี่เป็นสาเหตุที่ทำไมผู้ที่ยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสไม่สามารถที่จะรักษาศีลกันไดน้ก็เพราะว่าความอยากได้ความโลภมากอยากได้มามากๆง่ายๆเร็วๆนี้เอง จึงทําให้ต้องทําผิดกฎหมายทําบาปทํากรรมแต่ถ้ามีความมักน้อยสันโดษไม่มีความยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลอดแล้วก็ไม่มีเหตุผลอนไดที่จะต้องไปทําผิดศีลไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปขโมยเงินทองของใครไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงใครเพราะไม่ต้องการอะไรจากใครดังนั้นการรักษาศีลก็จะง่าย ผู้ที่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่คุกคีกับใครยินดีตามมีตามเกิด้วไม่จะไม่ต้องการจะไม่ต้องทำผิดศีลเลยก็จะสามารถรักษาศีลได้บ่อยสุดแล้วเมื่อมีการรักษาศีลบ่อยสุดใจก็จะสงบไม่มารบกวนการที่จะทำให้จิตสงบมากขึ้นไปกว่านั้นคือให้สงบในระดับของสมาธิ ใจต้องสงบในระดับศีลก่อนถ้าในระดับศีลยังไม่สงบยังวุ่นวายกับการทำบาปวุ่นวายกับการรับวิบากของบาปที่ทำไว้มันก็จะทำให้ไปทำความสงบระดับสมาธิไม่ได้ใจต้องสงบในระดับศีลก่อนใจต้องไม่มีความวุ่นวายกับการไปทำบาป ไม่มีความวุ่นวายกับการไปรับผลของการกระทําบาปใจสงบสบายก็จะสามารถที่จะมาเจริญสมาธิมาเจริญสติได้มาควบคุมใจควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้หยุดอยากเอพอหยุดคิดหยุดอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขที่เป็นรสแห่งธรรมที่เหนือรสทั้งปวง กอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงแล้วก็รู้ว่าจะต้องรักษารถนี้ให้ได้เพราะในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ก็จะรักษาได้แต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่รู้จักวิธีรักษาสมาความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะถูกทำลายไปได้สิ่งที่จะมาทาลายความสงบ ก็คือความอยากต่างๆความโลภความอยากนี้เองถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ในใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วความโลภความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้เพราะความสงบจะถูกทำลายไปถ้าจะรักษาความสงบให้คงอยู่ต่อไป ก็ต้องทำลายความโลภความอยากเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้การเจริญปัญญาปัญญาก็จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการกระทำตามความโลภทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบเคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตานี้เ เวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานเดี๋ยวพอน้ำตาลมันละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมเออความสุขที่เราได้จากการไปทําตามความอยากต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาได้เสษได้สัมผัสกับอะไรก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดเหลือแต่ความหิวเหลือแต่ความว่างอ้างวา ง, วา ง, วางเปล่าเปลี่ยวทําให้ต้องไปหามาเสบอีก แล้วถ้าเสพไม่มีอะไรจะให้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้มาแล้วต้องจากเราไปเช่นเราอยากจะมีคู่ครองเราก็ไปมีคู่ครองเวลาได้คู่ครองมาก็ดีอกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันจัดงานกันแล้วพอวันดีคืนดีเกิดเป็นอะไรไปตายจากกันไป เวลานั้นก็กลายเป็นเวลาเศรา้าโศกเสียใจไปเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายกันถ้าเราไปอาศัยร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราเวลาที่ร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็จะไม่สามารถมาให้ความสุขกับเราได้อันนี้คือปัญญาเราต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากได้อยากมีอยากเสพเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีวันที่จะต้องหมดไปแล้วเวลาที่มันหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นสุขต้นแต่ทุกข์ปลายอย่าไปหาเอาความสุขที่เราได้จากความสงบนี่ดีกว่าด้วยการไม่ไปทําตามความอยากตามความโลภต่าง ด้วยปัญญาด้วยด้วยเหตุผลว่าทำแล้วมันจะทำให้เราเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่ไปเข้าหาความสุขแต่ถ้าเราไม่ไปทำเราก็จะอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือหน้าที่ของการเจริญปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นความนำไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเป็นความสุขปอมเป็นความสุขในเบื้องต้นแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิก่นรสผลพภะสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ มาให้ความสุขกับเราอันนี้เป็นการเจริญปัญญาให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดจะต้องมีวันสูญเสียมีวันพัดภาคจากกันไปอันนี้พอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุด ความอยากความโลภต่างๆได้หมดหยุดกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะได้หยุดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้หยุดวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้หมดแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจที่ไม่มีความทุกข์ก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธ ใจที่เราเรียกว่านิพานนิพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แตเป็นสภาพของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มึนอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ หายไปหมดความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปหมดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาวิมุตติญาณทาศนะว่าต่อไปนี้ใจของเราไม่ทุกข์กับอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรจะต้องทุกข์แล้วเพราะเหตุที่ทำให้เราทุกนี้เราได้กาจัดมันหมดแล้วหรือถ้ามันยัขึ้นมาเราก็จะกาจัดมันได้ทุกความอยากทุกชนิด เราก็จะรู้ว่าความทุกนี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วอันนี้ก็เรียกว่าวิวมุตติญานทัศน์ญาณาาาที่อย่างทราบถึงการหลุดพ้นของจิตใจของตนเองว่าได้หลุดพ้นแล้วอตอนต้นก็อาจจะหลุดพ้นเป็นขั้นๆไปหลุดพ้นขั้นโสดาบันหลุดพ้นขั้นสกิดาคามีหลุดพ้นขั้นอนาคามี แล้วก็หลุดพ้นอย่างเต็มร้อยก็ขั้นพระอาหารหันต์พอหลุดพ้นแล้วก็จะได้นิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้บร ม, มสุกนิบบานังประมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นอย่างความสุขที่พระเจ้าได้ทรงรับตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วนี้ ความสุขนั้นก็ยังอยู่ในพระทัยของพระองค์จนตราบจนถึงปัจจุบันนี้พระทัยของพระองค์ไม่ได้หายไปไหนพระทัยของพระองค์ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายมามาเป็นตัวแทนให้เราได้เห็นหน้าเห็นตาเท่านั้นเองเราจึงต้องสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนให้เราได้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายสิ่งที่ตายไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระสลีละของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์ที่เป็นนิพพานนี้แหละที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นเพราะว่าพระทัยของพระองค์หรือใจของพวกเรานี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนือเราจะเห็นได้ก็ ต้องเห็นด้วยตาในเห็นด้วยใจด้วยตัวรู้ผู้รู้นี้เราก็จะเห็นใจของเราแล้วเราก็จะเห็นว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับเราซื้อรถยี่ห้อเดียวกันขึ้นขี่คันนี้เราก็จะรู้ว่าทุกคันที่รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกัน พอใจเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะเห็นใจของเราว่าเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเหมือนกับใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะว่าเป็นเหมือนกับรถยนต์รุ่นเดียวกันมีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างมีความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดมีความสุขมีบรมสุขเหมือนกันหมดมีการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนกันหมดอันนี้คือลดแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงที่พวกเราจะได้สัมผัสรับรู้กันถ้าเรามีความยินดีในธรรมกันเช่นอย่างที่ท่านทั้งหลายมีความยินดีไม่มีใครบังคับให้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมกันท่านมีความยินดีอยากจะมาฟังเทศฟังธรรม เพราะอยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งป่วนแต่การฟังเทศฟังธรรมนั้นยังไม่สามารถที่จะทําให้เราได้สัมผัสรสแห่งธรรมได้อย่างเต็มร้อยจะได้บ้างก็ในขณะที่เราฟังธรรมเวลาฟังธรรมใจของเราถ้ามีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังร่างกายของเรานั่งเฉยๆวาจาของเรา เงียบสงบไม่พูดไม่จาไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆคอยจดจ่ออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมใจของเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการมีปัญญาแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะเป็นลสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่จะทาให้เรา มีความยินดีที่จะสร้างลดแห่งธรรมให้มีมากขึ้นไปเพราะยังมีลดแห่งธรรมอีกมากที่เรายังไม่มีกันที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติกันการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็จะได้เหมือนกับไปดูภาพยนตร์ตัวอย่างถ้าเราอยากจะดูภาพยนตร์เต็มเรื่องเราก็ต้องไป รอให้ภาพยนตร์นั้นเข้ามาใช้ในโรงแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วดูกันตอนต้นเขาก็ต้องการที่จะดึงความสนใจให้เราดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เขาจะเอามาฉายในโรงในโอกาสต่อไปเขาก็เอาหนังตัวอย่างมาฉายให้เราดูกันการที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วได้รับผลประโยชน์ได้ลดได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็จะทำให้เรา รู้ว่ารถแห่งธรรมนี้ดีอย่างไรแล้วจะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเหมือนกับการอยากจะดูหนังดูภาพยนตร์ทั้งเรื่องตอนต้นก็ได้ดูหนังตัวอย่างเห็นแล้วลท่าทางจะสนุกท่าทางจะดีก็อยากที่จะดูพอหนังเข้ามาฉายในโรงเราก็าไปเข้าแถวซื้อตั๋วกันเลย อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถตัวอย่างก่อนแต่พอเราได้ฟังเทศแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมคือความสงบที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะทําให้จิตใจเราสงบผง่องใสมีความสุขแล้วจะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดเห็นมีแสงสว่างแห่งธรรม เห็นว่าอะไรผิดเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรให้ความสุขกับเราเห็นว่าอะไรให้ความทุกข์กับเราแล้วก็จะทําให้เราอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปมันก็จะนําพาเราไปสู่การปฏิบัติคือการเข้าหาทำสิบประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คือเข้าหาความมักน้อยเข้าหาความสันโดษะ ยินดีตามมีตามเกิดเก้าหาสถานที่สงบสงบวิเวกเข้าหาการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันให้อยู่คนเดียวถ้าจะคุกคีบ้างก็เท่าที่จาเป็นเช่นเวลานี้เราก็มาคุกคีกันเรามาฟังเทศฟังธรรมกันแต่เราไม่คุกคีแบบทางโลกคือเราจะไม่มาคุยกันมานินทากาเลกัน ว่าคนนั้นว่าคนนี้คุยเรื่องการบ้านการเมืองหรืออะไรต่างๆเรามารวมกันเพื่อประโยชน์อันหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมพอเราฟังเสร็จแล้วก็แยกกันไปกลับไปที่พักของเราไปเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปบําเพ็ญไปปฏิบัติต่อเรียกว่าการไม่คุกคีกันคุกคีก็คุกคีแบบไม่คุยไม่สนทนากันไม่สังคมกัน เช่นบางทีเราต้องมาทำกิจร่วมกันมาฟังเทศฟังธรรมมารับประทานอาหารร่วมกันมาช่วยกันทำความสะอาดสถานที่เราก็ทำกันไปแต่เราจะไม่เอาใจของเรามาคุยมามาอะไรกันเราก็จะคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องงานที่เรากําลังทำอยู่เพียงอย่างเดียว เรียกว่าการคุกคีแบบไม่คุกครีกันการมาร่วมกันทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำแต่อาจจะไม่มาคุยกันไม่มาเฮฮากันแล้วเราก็จะได้ไปสร้างความเพียรเราก็จะยินดีกับการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิเพื่อหน้าให้นั่งแล้วจะได้สมาธิคือความสงบ หลังจากได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ด้วยการสอนใจไม่ให้ไปละทำตามความอยากสามประการคือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอไม่ทำตามตัณหาทั้งสามก็จะหมดกำลังไปแล้วก็หายไปในที่สุดหรือถ้ามันจะโผล่มามันก็ไม่มีกำลังไม่มีอะไรที่จะมาผลักดัน ใจที่รู้ว่าการไปทําตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนี่อันนี้ปัญญาที่จะมาแก้วความหลงคนที่ยังหลงอยู่กับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เพราะว่าคิดว่าเมื่อมีความอยากเหล่านี้แล้วจะทําให้ตนเองไปหาสิ่งที่จะทําให้ตนเองได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมความสุขเดี๋ยวเดียวที่จะต้องหาอยู่เรื่อยๆ แล้วเมื่อเวลาไม่สามารถหาได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาพอปัญญารู้แล้วว่าตัณหาทั้งสามนี้คือภาวตัณหากา마ตัณหาวิภาวะตัณ ห, ห, หานี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็จะไม่ทำตามไม่ทาตามเมื่อไม่ทำตามได้แล้วตัณหาก็จะไม่มีกำลังที่จะมาหลอกที่จะมาดึงให้เราไปทำอะไรตา่ตางๆได้ เมื่อเราไม่ไปทำอะไรใจของเรานิ่งก็สงบ ก, ก็มีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในสมาธิใจของเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็วิมุตติยานะทัศนะว่าตอนนี้ได้หลุดพ้นแล้วอย่างถาวรอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป นี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือจะไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องไปเจอความทุกข์อีกรถของลาบรสสารเสรื่อรสของรูปเสียงกลิน่นรสนี้มันจะดึงให้เราไปพบกับความทุกข์เสมอเพราะเวลาที่มันเสื่อมนั่นเองเพราะมันจะต้องเสื่อมมันไม่ถาวรมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับแต่รถแห่งธรรมนี้ไม่มีวันเสื่อม เมื่อได้มาแล้วก็จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดจึงไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการที่พวกเรามีความยินดีในธรรมมันมาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปสร้างธรรมอั น, อนใดกันบ้างพอเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องไปสร้างธรรมต่าง ที่ได้สอนให้สร้างกันในวันนี้ให้ยินดีกันในวันนี้ก็คือให้ยินดีกับความมากน้อยสันโดษการปีกวิเวกการไม่คุก ค, คีกันการทำความเพียรการเพียรสร้างศีลเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญาเพื่อให้ได้วิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะนี่คือธรรมที่เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะยินดีกัน เมื่อเราเย็นดีแล้วเราก็จะได้ไปสร้างกันเมื่อเราสร้างแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสของธรมรมรสแห่งวิมุตติคือรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อน ลําดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคําถามแล้วหลังจากนั้นพอเลิกประชุมแล้วเราก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าจะถามขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากเลิกกันแล้วจะไม่ไม่ไม่ตอบนะจะหาว่าเราโหดร้ายไม่ได้นะเพราะเราก็ ให้ทางพิธีกรคาถามจากทางบ้านจากคุณเสกสรรปกติไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นมุ่งนิพานอย่างเดียวไปไปมามาตอนนี้กลับกลายเป็นพวกสอดรู้ไปเมืไปแล้วจีดโลดโผลมากอยากรู้เรื่องโน่นนี่นั่นไม่หยุดย่อนพูดโทรก็แล้ว ผุ้ทางสระนังก็แล้วยาวๆอย่างอิติปิโสก็เอาไม่อยู่หลุดไปรับโน่นนี่นั่นได้ตลอดจนกลายเป็นทุกข์เพราะลำคาญความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพ่งมากๆเพื่อไม่ให้หลุดก็ปวดเบ้าตาปวดขมับจนปัญญาแล้วครับควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องพยายามเหมือนกับรักษาโรคถ้าโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาไปเรื่อย ถ้าหยุดกินยามันก็ยิ่งจะละจะเร็วร้ายไปกว่า น, นี้จะคิดฟุ้งซ่านมากไปกว่า น, นี้ฉะนัก็พยายามพุโทโธไปพยายามหาอุบายที่ทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆฟังเทศฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะไปสวดมนต์ไปพุโทโธไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายไป ถ้าเราพยายามเดี๋ยวมันก็ต้องสําเร็จนะคถ้าเราไม่พยายามเราก็จะไม่มีวันสําเร็จได้งั้นปัญหาตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าอจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จปัญหาอยู่ที่ทําหรือไม่ทำํำถ้าทําไม่ทําแล้วก็จบถ้ายังทําอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะสําเร็จได้แล้วก็ต้องสําเร็จทักวันหนึ่งถ้าเราทําแบบไม่หยุดทําแบบไม่ถอย หลางที่หลวงตาท่านสอนว่าสู้ไม่ถอยถ้าเราต้องการไปทางนี้เราถอยไม่ได้ถ้าเราถอยแล้วเราก็จะถอยไปเรื่อยๆถอยตกเข็วไปคำถามจากคุณเลเบอร์อันวา หนูมีเพื่อนสองคนมีปัญหากันเพราะยืมเงินกันแล้วไม่รับใช้คืนหนีหน้ากันเพื่อนอีกคนเลยมาขอความช่วยเหลือจากหนูให้ช่วยคุยให้เขาเซ็นเอกสารยินยอมชำระหนี้ในแต่ละเดือนแต่เขาไม่ยอมเซน็นหนูเลยพูดว่าต้องเซ็นนะถ้าไม่เซ็นก็ไม่จบ เขาก็เลยยอมเซน็นก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนทั้งสองคนแต่ตอนนี้เพื่อนคนที่หนูไปคุยเขาคงโกรธหนูคงเสียเพื่อนคนนี้ไปแล้วแบบนี้หนูทำผิดไหมคะหนูสมควรทำแบบนี้ไหมคะถ้าเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดความสุขก็ทาไปแต่าทาแล้วกเกิดโทษเกิดความทุกข์ก็อย่าไปทำให้ดูผลที่จะตามมา เ ด, เดี๋ยวนี้คนสามารถถามถามตอนสดได้ก็เลยไม่ค่อยส่งคำถามก็มาต่ อ, อไปก็คงจะไม่มีใครฝากคำถามนะถามสดสดได้ตอนนี้ผู้ที่ติดตาม Facebook ท, ที่บ้านหรือ YouTube ก็สามารถที่จะส่งข้อความถามเข้ามาได้เริ่มได้เลยเมื่อวานเมื่อวานมีจกัก จากคุณโทนี่ที่ที่อยู่拉สเวกัสครับเขา uh. ขอตอบมาว่า Thank you for your help f u l advice อาจารย์ May you live long and happilyOkay you're welcome and may you live long and happy and ask q u e s t more question ครับคำถามต่อไปเป็นคำถามจาก a c e b o o k นะครับจากคุณประกอบการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไม่ต้องใช้น้ำได้หรือไม่ขอรับ ได้เพราะน้ำไม่ได้เป็นบุญนะน้ำเป็นเพียงตัวอย่างของบุญบางทีเราเมาไม่เห็นบุญกันเราแล้วไม่รู้ว่าบุญยึบเป็นอย่างไรท่านก็เลยบอกว่าให้สมมติว่าน้ำนี้เป็นบุญก็แล้วกันแล้วเวลาเราเทน้ำไปน้ำมันก็จะไหลไปตามที่เราต้องการที่เราต้องการลดต้นไม้เราก็เทน้ำไปที่โคนต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้รับน้ำมันก็จะได้เจริญเติบโต ดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงรับไปก็เป็นเหมือนต้นไม้ส่วนบุญที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนน้ำล้วก็เราก็ส่งบุญนี้ไปถึงกับดวงวิญญาณดวงนั้นด้วยการระ ล, ลึกถึงเขาเรรียกว่าเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วงลับไปแล้วก็เหมือนกับเราได้เทน้ำลดต้นไม้เราได้ส่งบุญไปให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นแล้ว เราฉะนั้นเราไม่ต้องมีน้ำก็ได้เพราะว่าตัวบุญจริงๆก็คือความสุขใจที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำบุญเมื่อเรามีความสุขใจเราก็สามารถแบ่งบุญส่วนนี้ไปให้กับเขาได้คำถามต่อไปจากคุณนรินผลนะครับยาวหน่อยนะครับมีสามคำถามในในข้อเดียบกันเอาทีละคำถามก็แล้วกัน ถ้าคนที่เรากำลังคบศึกษาเขามาบอกเราว่าเขาเห็นความรักจากพ่อแม่แล้วเกิดความเบื่อความทุกข์เบื่อความรักแบบพ่อแม่และแบบคู่รักเขาบอกสายนี้ไม่ใช่สายของเขาเขาไม่เอาอีกแล้วความรักด้วยงานเยอะและเบื่อทุกๆอย่างอยากกลับไปบวชแบบเดิมที่วัดจะรีบเคลียร์งานแล้วไปบวชและขอให้เรายุติความสัมพันธ์เพราะเขาไม่มีกาหนดศึก ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาทุกข์มากกลัวกลัวก็กลัวว่าเราจะรับไม่ได้แต่ในวันบวชขอเราไปในงานบวชเขาคำถามคือหนึ่งเราจะปฏิบัติอย่างไรเวลาเราต้องเจอเขาทุกครั้งเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาก็คิดว่าการกระทำของเขาเขาเขาไม่สามารถหากข้ามจิตใจของเขาได้ เาต้องทาในสิ่งที่ก็ต้องทำแต่เราไม่ควรที่จะไปโกรธไปทุกข์กับเขาให้เราคิดว่าเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่ฝนตกแล้วเราเปียกน้ำฝนเช่นเวลาเราไม่ได้เตรียมนมไว้ฝนสาดฝนตกมาเปียกไปทั้งตัวเราก็ไม่ไปโกรธฝนใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดไปโดนคนอนื่นเขา เอาน้ำมาศาสใจเรานี่เราก็เปียกเหมือนกับตอนที่เราโดนฝนตกแต่เรากลับไปโกรธเขาเพราะเราคิดว่าเขาไม่ควรที่จะทำอย่างนี้อันนี้ละก็เหมือนกันเราต้องคิดว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศสิ่งเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเราไปห้ามไม่ได้ถ้าเราต้องทุกข์ก็ถือว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนกับการเปียกน้ำฝน จะเปียกจากฝนหรือจะเปียกจากคการกระทาของคนอื่นมันก็เหมือนกันให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้ากัแล้วเขาทาแล้วทาให้เราต้องเจ็บต้องเกิดความเสียหายก็ยอมรับความเสียหายนั่นไปแล้วก็ถือว่าเป็นการชดใช้เวรกรรมกันไปก็แล้วกัน<ม>ถ้าเราไม่มารู้จักเขาไม่มาลักเขาไม่มาชอบเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไร เราก็ต้องโทษว่าเราโง่เองเราถูกความหลงของเราหลอกให้เราคิดว่าเขาเป็นคนที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่มองว่ามันเป็นความสุขต้นแล้วมันจะต้องทุกปลายคือเวลาได้กันใหม่ๆก็รักกันดีสุขกันดีพอเวลาที่เขาอยากจะไปทําอย่างอื่นเขาไม่อยากจะให้ความรักกับเราเราก็จะต้องเสียใจยงั้นก็ให้เอาเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนสอนใจ เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดไปทำซ้ําอีกเอาต่อไปเราเห็นใครมารักมาชอบเราเราเราก็จะได้กวดน้ำส่งเขาไปเลยบอกอย่ัมาก็ต้องถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสกับความทุกข์ทางด้านนี้เพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับการไปฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนมันก็ต้องเจ็บหน่อยแล้วบางทีอาจจะมีไข้บ้าง แต่ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดมีเชื้อโรคระบาดเข้ามาเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วดข่าวต่อไปเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับคนที่มารักเราอีกแล้วเพราะเรารู้ว่ารักแท้ในโลกนี้ไม่มีสุขแท้ในโลกนี้ไม่มีมันเป็นสุขท้นสุขต้นแล้วต้องมาทุกข์ปลาย ข้อสองกับข้อสามนี้คำถามทำนองเดียวกันเลยนะครับผมอ่านพร้อมกันเราจะวางใจอย่างไรเพราะเราเสียใจมากคะ่ะทั้งเสียใจและเสียดายคนดีทําไมถึงไม่สามารถครบแล้วพากันศึกษาทำมาไปด้วยกันได้คะจะสามารถจเจริญในธรรมเพื่อถึงนิพพานในภาวะคารวาสได้ไหมครับทำไมต้องบวชคะอนุโมทนาคะ่ะก็มันเรื่องบวชแล้วไม่บวชนี่มันก็เป็นเรื่องของเขา เขาอาจจะเบื่อเราก็ได้แล้วเขาก็เลยหาเหตุทิ้งเราหนีเราก็เลยเอาการบวชนี้มาเป็นเหตุพอดีอก็ได้หรือ ว, ว่าเขาต้องการไปบวชจริงๆเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เขาต้องการที่จะไปให้เร็วที่สุดและสะดวกที่สุดก็การปฏิบัติการไปบวชนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ยังก็ขอให้เราคิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเป็นความโง่ของเราเราไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการมีคู่ครองว่ามีมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาพอถึงเวลาดับเราก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ก็อย่างที่บอกขอให้เราดีใจว่าตอนนี้เราได้มาเห็นสัจธรรมความจริงแล้ว แล้วถ้าเราเอามาสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยเราก็จะไม่เจ็บซ้ำา้ำซ้ ำ, ซ, ำซ้ำแล้วซ้าเล่ากลัวว่าเดี๋ยวพอไม่นานหายเจ็บแล้วเดี๋ยวเจอคนใหม่ก็เอาเอาอีกแล้วพอเข้ามาเสนอความสุขให้ก็รับยินดีรับอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทุกข์อีกขอให้เราคิดว่ามันเป็นเป็นวิกฤต ที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้คือถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราช้าหมกช้ําใจเราก็จะไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันทุกข์อย่างไรนนี้เราจะได้ไม่ต้องไปมีคู่ครองอีกต่อไปแล้วก็จะทําให้เราอาจจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ แล้วก็อาจจะได้มีดวงตาเห็นธรรมในพบนี้ชาตินี้เลยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสุขขึ้นมาอย่างหลวงปู่ขาวนี่ท่านก็มีประวัติคล้ายๆอย่างนี้ท่านก็มีภรรยาท่านก็รักภรรยาแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปพบว่าภรรยาไปมีชูก้กันตอนต้นท่านก็หน้ามืด คิดจะฆ่าเขาทั้งสองคนแต่ได้สติก็มาตำหนิตัวเองว่าถ้าเราไปฆ่าเขานี้เราก็เลวกว่าเขาเขาเพียงแต่ประพฤติผิดตเวณีอย่างนี้เราถึงกลับไปฆ่าเขาเลยพอได้สติท่านก็หยุดท่านกยอมรับความจริงว่าเนี่ยการมีการมีคู่ครองมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองท่านก็เลย เบื่อกับการมีคู่ครองเบื่อกับการอยู่แบบผู้ครองเรือนท่านก็เลยตัดสินใจไปบวชแล้วตัดสินใจยกภรรยาให้กับชู้ไปท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์พอไปปฏิบัติท่านก็บรรลุเป็นพราะอารหันต์ขึ้นมายิ่ง น, นความทุกข์นี่แหละบางทีมันจะเป็นเหมือนกับเป็นชนวนที่จะทำให้เราได้ไปทำในสิ่งที่ดี กับตัวเราเองหมดแล้วใช่ไหม น, นี้คําถามต่อไปจากคุณเกวลินครับพอดีทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่ที่บ้านคุณแม่ให้กลับไปอยู่กับท่านแต่ยังไม่มีงานรองรับตอนนี้เลยไม่รู้จะทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะจะกลับแต่ไม่มีงานค่าใช้จ่ายก็รออยู่รบกวนพระอาจารย์ชี้แนวทางให้หน่อยเจ้าคะ่ะก็คุยคุณแม่เสรยวว่าถ้ากลับไปอยู่กคุณแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วใครจะจ่ายนะ ถ้าแม่บอกว่าแม่จ่ายก็ก็ไปทำงานกับแม่ก็แล้วกันไปดูแลแม่แล้วก็ถึงแมถ้าไรายได้น้อยหน่อยก็ใช้ให้มันน้อยหน่อยตัดค่ารายจ่ายต่างๆไปอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปน้องผ่อนอะไรก็หยุดผ่อนคืนของเข้าไปถ้าต้องผ่อนรถผ่อนทีวีผ่อนอะไรไม่ของนอกกายของไม่ใช่ปัจจัยสีไม่จำเป็นไม่มีก็อยู่ได้ก็ก็เลิกผ่อนไป คืนของเขาไปเราก็อยู่อยู่อยู่กับปัจจัยสี่อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้มีโอกาสชดทดแทนบุญคุณของแม่ที่เขาได้ให้ชีวิตของเรานี่มาให้กับเราก <c oughs> ารทำบุญกับแม่นี่ก็เท่ากับได้ทำบุญกับพระอราหันต์เลยได้บุญมาก <c oughs> ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติไปสวรรค์ดีกว่าไปหาเงินหาทองแล้วทอดทิ้งแม่ กลายเป็นคนเนรคุณไปกลายเป็นคนอักตันยูไปตายไปก็ไม่ไม่ได้ไปที่สู่ที่ดี yeah. คำถามต่อไปจากคุณดรพิสิทธิ์นะครับความรักที่ปราศจากความอยากครอบครองและความอยากในกางแตกต่างจากพรมวิหารสี่หรือไม่อย่างไรครับเกิด ค, ความาความรักในพรมวิหารสี่ก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อืน่นความอยากให้ผู้อืนน่นมีความสุข ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆเช่นเวลาพบกันก็ยิ้มแย้มยิ้มให้กันถ้ามีขนมนมเนยมีข้าว ม, มีของก็แบ่งกันอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขแบบในพร ม, มิหารสี่เวลาเกิดมีความเห็นไม่ตรงกันเรือเกิดมีการทะเลาะเบาแวงกันเรือมีการทำอะไรที่ผิดพลาดทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ก็ไม่ถือโทษโก่อดเคืองกันให้อภัยกันอันนี้คือความรักในพรมวิหารสีที่เรียกว่าเมตตาครับคํำถามต่อไปจากคุณพาดานะครับขอความกระจ่างเรื่องวิญญาณในขันห้ากับปฏิสนธิวิญญาณค่ะคือปฏิสนธิวิญญาณก็คือตัวจิตนี่ที่เวลาที่ออกจากร่างกายไปเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นวิญญาณ แล้วพอไปได้ร่างกายก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่เวลาที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจซึ่งในดวงจิตดวงใจนี้ก็จะมีขันอยู่สี่ขันคือมีเจ้าหน้าที่ทางานทำทาหน้าที่ให้กับใจอยู่สี่คนด้วยกันคนหนึ่งมีชื่อว่าวิญญาณ คนนี้มีหน้าที่ไปรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายมาส่งให้กับใจเดีวเช่นตาเห็นอะไรนี้ถ้าไม่มีวิญญาณไปเชื่อมต่อกับตาใจก็จะไม่รู้ว่าเห็นอะไรต้องส่งวิญญาณออกไปเป็นตัวเชื่อมก่อนถึงจะเห็นได้ว่ากาลังเห็นอะไรเสียงก็เหมือนกันถ้า ไม่ถ้าไม่มีวิญญาณทางเสียงไปรับรับเสียงส่งมาให้ใจใจก็จะไม่รู้เสียงนี่คือวิญญาณในขันห้าในขันสี่ในนามาขันเนี่เราเรียกว่าวิญญาณเพื่อไปรับรู้ข้อมูลที่ที่ร่างกายรับมาจากภายนอกอีกทีหนึง่งไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะด้วยการไปเชื่อมต่อกับตาหูจมูกเนกาย้อง่าย พอมีการเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายพออะไรมาสัมผัสทางตาก็เห็นทันทีสัมผัสทางหูก็ได้ได้ยินทันทีอันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวรกุลนะครับการปฏิบัติให้จิตนิ่งทั้งวันต้องทําอย่างไรครับก็อย่างที่เทศวันนี้ต้องไปเปรกไว้เวไปอยู่คนเดียวมากน้อยสันโดษอย่าไปอยากได้อะไร ให้มาเอาน้อยที่สุดจะได้มีเวลามาเจริญสติมาควบคุมความคิดมารักษาใจให้สงบมานั่งสมาธิบ่อยๆแล้วถ้าออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาจิตให้สงบไปได้ตลอดจนเป็นความสงบที่ถาวรต่อไป คำถามต่อไปจากคุณนิพนธ์นะครับผมมีความสงสัยนิมิตกับความคิดว่าต่างกันยังไงครับอย่างไรคือนิมิตครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยนะครับก็เวลาเรานอนหลับนี้เวลาที่เราฝันมันก็เป็นนิมิตอย่างหนึง่งเวลานั่งสมาธิแล้วมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้ก็เป็นนิมิตอีกอย่างหนึง่งส่วนความคิดก็คือความคิดที่เรากาลังคิดกันอยู่ในตอนนี้ ตอนนี้เราไม่ต้องนอนหลับไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความคิดคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณทีนะครับขอโอกาสกลับเรียนถามเรื่องการทำสางเล็กไว้ในสวนหลังบ้านครับสืบเนื่องจากเมื่อวานแม่กระผมไปวัดแห่งหนึ่งแล้วเจอญาติทำท่านที่ที่ไม่เคยมาที่บ้านทักบอกว่าที่สวนหลังบ้านมองเห็นตาป่าขาวอาศัยอยู่แถวต้นไม้ใหญ่หลังบ้าน เพราะเมื่อก่อนจะมาสร้างบ้านอาศัยบนนั้นเดิมเป็นป่ารกที่อดีตเมืองเก่าเวลาฝนตกเขาก็ยืนพิงหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มานานแล้วญาติธรรมจึงแนะนําให้ทําสารเล็กๆให้เขาหน่อยพอได้หลบฝนซึ่งในบริเวณนั้นมีคนไม่เคยมาที่บ้านทักในลักษณะเดียวกันมาหลายคนแล้วครับแล้วตาประขาวนั้นต้องการให้เครื่องไหว้เป็นผลไม้เท่านั้นแม่แนะนําให้ทํา แต่ผมรับปากแม่ว่าจะทําสารเล็กให้แต่คงไม่ไปไหว้นะเพราะในใจผมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะครับขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาชี้แนะด้วยครับก็สารเล็กๆมันจะไปอยู่ได้ยังไงออแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีสารมันอยู่ไม่ได้เหรือเมื่อดวงวิญญาณมันไม่มีร่างกายเหมือนคนเหมือนมนุษย์มันไม่ต้องมีสมมีสารหรอก มันก็มีที่อยู่ดวงวิญญาณนี้อยู่ได้ด้วยบุญไม่อยู่ด้วยบาปถ้ามีบุญก็อยู่อย่างสุขถ้าบาปก็อยู่อย่างทุกข์เพราะฉะนั้นเราไปทําอะไรให้เขาไม่ได้หรอกเราจะไปเอาผลละมุงผลละไม้ไปไหว้ให้เขาเขาก็กินไม่ได้อยู่ดีคนที่ไปไหว้นะ่ะเดี๋ยวก็ามากินเองไม่ใช่เหรอเนี้น ทำไปก็ไร้บอยเข้าใหญ่พูดง่ายๆคือเป็นความเชื่องม ง, งายที่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงรองรับแต่อย่างใดถ้าเขาเป็นกายทิพย์จริงๆเขาก็ไม่นำมาเขา ก, กินอาหารหยาบไม่ได้เขากิกนผลไม้ไม่ได้เขามาอยู่บ้านกระทบไอไอสารเล็กๆนี้เขาอยู่ไม่ได้หรอกที่อยู่ของเขาคือบุญบุญเป็นที่อยู่ของกายทิพย์ ถ้าถ้าบาปก็เป็นคุกของกายทิพย์ทำบาปก็ไปติดคุกทำบุญก็ไปอยู่สวรรค์วิมานชั้นต่างๆเพราะฉะนั้นเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาหรอกเราจะทำก็เพียงแต่แผ่เมตตาให้เขาก็แล้วกันถ้าเกิดเขามาเยี่ยมเราเราก็บอกเชิญอยู่ได้ตามสบายนะเราไม่ขับไล่สายส่งอยู่ได้ถ้าต้องการอะไรก็บอกมา จะให้ทําบุญส่งอะไรไปก็จะทําบุญส่งไปให้บุญนี้ส่งไปได้แต่จะจะให้เอาผลไม้เอากับโค้งกับข้าวมาตั้งไว้นี้เขารับไม่ได้อยู่แล้วเขารับได้เป็นบุ ญ, บญต้องเอาอาหารผลไม้นี้ไปแปลงให้เป็นบุญด้วยการเราไปใส่บาตรเนี่ยถ้าเราไปใส่าบาตรแล้วผลไม้นั้นก็จะกลายเป็นบุญขึ้นมาในใจเราแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่อยู่ในใจเรานี้ส่งไปให้เขาได้ แต่บางทีเขามาอาจจะไม่ต้องการบุญก็ได้เขาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วก็ถามก็ดูสิถ้าเ้าเขามีจริงก็ต้องคุยกันได้ถ้าคุยกันไม่ได้ก็อาแสดงว่าไม่มีจริงจูกเขาทักขึ้นมาคนที่ทักก็พูดไปตามภาษีภาษาของเขาไอ้เราก็เป็นแบบก็ตายตื่นตูมพอมาพ้าวหล่นลงมากระทบกับพื้นดังหน่อยก็คิดว่าแผ่นดินถล่มนะวิ่งกันกระเจิดกระเจิงกันไปหมด เราไม่ไปตรวจดูก่อนว่าอะไรทําให้เกิดเสียงดังจนจะทั่งไปเจอราชสีราชสีบอกเป็นอะไรกันวิ่งกันเป็นฝูงมาเพราะว่าแผ่นดินถลม่มถล่มตรงไหนเอก็เลยบงังคับให้กระต่ายพาไปดูจุดที่มันถลม่มพาไปดูก็เห็นต้นเห็นลูกมะพร้าวหล่นอืก็เลยรู้ว่าออ่ตัวลูกมะพร้าวนี่ที่หล่นออกมาทําให้เสียงดังเอ ก็เลยทําให้ตกใจที่ว่าแผ่นดินถล่มไปแล้วตามตึกต่างๆเลยเจ้าคะที่เขาตั้งศาลกันทั้งนั้นแหละมันก็เชื่อกันไปมีใครมาทักหน่อยก็กลัวแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวทําการค้าแล้วเจ๊งกันไปแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกกลัวจะชีพหายกันก็เลยตั้งกันเพื่อกันความชีพหายเท่านั้นเองอต่บางทีมันก็เจ๊งอยู่ดีใช่ไอมมันเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันไม่ได้อีกที่ตั้งศาลหรือไม่ตั้งศาล แต่เมื่อมีคนมาทักแล้วก็ต้องทําไปไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาก็จะโทษว่าพ่อไม่ได้ตั้งศาลกันแล้ยประเทศที่เขาไม่มีศาลเขาอยู่กันได้ยังไงเมืองนอกเมืองนาพ่อหลงพ่อหลังไม่ไม่มีสงมีศาลกันเลยทําไมมันจะเลิญมันร่ํารวยกับพวกเรากี่ร้อยเท่ากันมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องความของความเชื่อของความงมงาย พระพุทเจ้าบอกของจริงก็คือบุญกรรมนี้เท่านั้นหละบุญกับบาบนี่แหละเป็นตัวที่จะให้เราเจริญหรือชิบหายอยู่ที่บุญหรือบาปนี้ถ้าทําบุญก็มีแต่จะเจริญะถ้าทําบาปก็จะมีแต่ความชิบหายตามมาให้เชื่อแค่นี้พอชาวพุทธเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรไป ม, มากไปกว่านี้แต่ก็ไม่ให้ไปลบดูถ้าคนอื่นอยากจะสร้างศาลก็ให้เขาสร้างไปใครอยากจะไปหาเท้าหมาพรมที่สี่แยกเอราวันก็ไป แต่แม้ที่นั่นยังป้องกันระเบิดไม่ได้เลยถ้าถ้าเท่าหมหาพรหมเก่งจริงทําไมไปปล่อยให้มันระเบิดตูมตามอย่างที่ที่ศาลได้มันไม่มีหรอกถ้ามันมีมันจะเป็นระเบิดได้ไงใครจะมายิ่งใหญ่กว่าเท่ามหาพรหมอ่ะใช่ไหอไม่คิดกันเลยเหมือนกระต่ายตื่นตูมจริงๆคำถามต่อไปจากคุณอัญญาอย่างนะครับ การที่เราหนีไปบวชโดยไม่ได้ทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่ทําให้ท่านทุกใจเราจะมีการติดตัวและบาปไหมเจ้าคับหลวงพ่อไม่หรอกเรายังมีเวลาที่จะไปทดแทนบุญคุณได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านไปท่านก็หนีไปแต่พอท่านบรรลุนะท่านก็กลับไปช่วยพ่อแม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณขอให้กลัวว่าไม่ได้บวชจะดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณควัญ น, นะครับรักของ รักของพุทธรักของพุทธองค์กับรักของพระเจ้าเหมือนและต่างกันอย่างไรครับพระเจ้านี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงพระเจ้าแต่รักของพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าก็คือรักด้วยความเมตตาคือความอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขจากความสามารถของท่านท่านก็นเลยสอนให้คนอื่นรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อทําให้ตนเองมีความสุขไม่มีความทุกข์ อันนี้คือความรักของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกแต่พระเจ้านี้เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เลยเอาของที่ไม่รู้มาพูดทําไมเอาของที่รู้มาพูดกันดีกว่าเออคําถามต่อไปจากคุณชัยนัทใกล้ๆหน่อยไหมใกล้ๆหน่อยครับคำถามต่อไปจากคุณนุยนาทนะครับ การที่เราเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอานิสงส์ที่ได้รับมีผลอย่างไรบ้างคะถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติเองอยู่ที่บ้าน อ, อ๋อคือถ้าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราก็จะได้ยินได้ฟังธทำอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าเรามีปัญหาหรือเราติดขัดตรงไหนหรือเราทําผิดอย่างไรท่านก็จะเตือนเราบอกเราได้แก้ไขให้กับเราได้ ถ้าเราปฏิบัติเองที่บ้านบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเรากําลังทําผิดหรือถูกหรือว่าถ้าเราติดเราก็ไม่รู้วิธีแก้อน่างั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่กับท่านก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อเรามีปัญหาเราติดขัดเราก็ควรที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์หรือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ควรที่จะเข้าไปไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปขอข้อแนะนาว่า ตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้คนจะทำยังไงต่อไปการมีครูบาอาจารย์นี้มันดีกว่าการเรียนจากหนังสือเพราะหนังสือนี่มันคุมบางทีมันไ ม, ไม่ตรงกับเรื่องราวของเราเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะใช้หนังสือให้เป็นประโยชน์ได้เท่ากับใช้ครูบาอาจารย์เพะฉนนการได้พบกับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ถามนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่า แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยหนังสือไปคำถามต่อไปจากคุณปลายฟ้านะครับงานที่ทำคือการดูแลผู้โดยสารบางครั้งเราต้องปฏิเสธในการให้ข้อมูลผู้โดยสารเรื่องจากเป็นกฎความปลอดภัยบางครั้งโดนต่อว่าทำให้รู้สึกแว บ, บเคืองกรุณณามเมตตานแนะนำวิธีหยุดอารมณ์เคืองด้วยเจ้าค่ะจะนาปฏิบัติและแนะนำน้องในทีมเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับว่า ความไม่พอใจของเขาก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้ในเมื่อเราไม่ตอบสนองความอยากของเขาเขาก็ต้องโกรธเราเป็นธรรมดาแต่เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเรา ม, มีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแค่นั้นเองถ้าเรายับยั้งอารมณ์ไม่ได้ก็ใช้สติใช้พุทโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็อย่าไปตอบโต้ พยายามระ ง, งับอารมณ์ของเราด้วยการพุทโธพุทโธไปอย่าไปถือสาเขาก็ต้องเห็นใจเขาเพราะบางทีเขาก็อยากจะรู้อย่าอะไรแล้วเราไม่สามารถตอบเขาได้เขาก็อาจจะโกรธเราได้แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธเขาเราก็ควรที่จะระ ง, งับความโกรธของเราด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปคําถามต่อไปจากคุณธนาพล น, นะครับหลังจากที่ผมได้เริ่มปฏิบัติ ผมเข้าใจแล้วว่าธรรมะเป็นเรื่องของใจใจของเราจะสุขหรือทุกข์คือใจของเราใช่ไหมครับ อ, อ, อยู่ที่เราเนี่ยเราเป็นคนสร้างสุขสร้างทุกข์เองคนอื่นนะั้นเป็นเพียงแต่ผู้จุดชนวนเท่านั้นเองแต่ชนวนถ้าไม่มีไม่มีลูกระเบิดจุดยังไงมันก็ไม่ระเบิดลูกระเบิดนี่มันอยู่ในในตัวเราคือความความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี่มันอยู่ในตัวเราคนอื่นเพียงแต่ไปจุดชนวนให้มันระเบิดขึ้นมา เวลาเขาพูดอะไรเนี้ยเราก็โกรธขึ้นมาเอแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธเขาพูดยังไงเราก็ไม่มีความโกรธเอ้ยเราอย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาทําให้เราโกรธทําให้เราทุกข์คนที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความอยากของเรานี่เองไม่มีใครหรอกถ้าเราไม่มีความโลภความอยากแล้วเราจะไม่มีวันโกรธได้นคําถามต่อไปจากคุณแซนต้านะครับการปฏิบัติภาวนามีอานิสงส์มาก ได้บุญมากอยากทราบว่าต้องจิตรวมเข้าสู่สมาธิขั้นไหนหรือต้องเจริญปัญญาแล้วถึงจะได้รับอนิสงค์นั้นหรือเพียงแค่สมาธินิ่งสงบขั้นแรกๆก็ได้ออนิสงค์นั้นแล้วคะคือสมาธิมันก็มีสงบหลายระดับสงบน้อยละห้าสิบสงบร้อยเต็มร้อยเนี่ยถ้าสงบเต็มร้อยนี่มันจะมีพลังมากมันจะทําให้ปัญญานี้สามารถทําลาย กิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบแต่ถ้ามีสมาธิมีกําลังน้อยมันก็จะไม่สามารถทําลายกิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบเน้นเราต้องพยายามเจริญสมาธิจนกระทั่งมันเต็มร้อยมันรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้แล้วมันก็จะมาทําให้สนับสนุนการใช้ปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้อย่างสมบูรณ์สามารถทําลายกิเลสตัณหาได้อย่างราบคาบ หมดสิ้นไปจากใจได้คำถามต่อไปจากคุณอุ่นเรือนนะครับจิตใจโยมอ่จิตใจโยมนจิตใจโยมอยากแต่จะไปบวชถือศีลอยู่ที่พุทธคยาอินเดียแต่ก็ยังมีสามีอยู่ถ้าทิ้งไปอยู่นานๆจะบาปไหมคะ ถ้าเขาไม่มีใครดูแลก็เป็นการขาดความเมตตามันไม่เป็นการทำบาปเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทุบตีเขาเพียงแต่เราทอดทิ้งเขาให้เขาดูแลด้วยตัวของเขาเองก็เรียกว่าขาดความเมตตาแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการกระทบาบาปเป็นการทอดทิ้งบุคคลที่เราไม่ควรจะทอดทิ้งเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นคู่ของเราเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพราะว่าเรามีาการสัญญากันว่าเราจะต้องอรักกันดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันจนวันตายาถ้าเราไม่ทําก็อาจจะเป็นบาปตรงที่ว่าเราไม่มีสัจจะเราโกหกหลอกลวงไม่ทําตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้คําถามต่อไปจากคุณนิพนธ์นะครับ เมื่อกี้ที่เขาถามต่อมานะครับเขาเขาเขอถามต่อเรื่องนิมิตกับความคิดนะครับผมยังมีความสงสัยเรื่องนิมิตกับความคิดในตอนนั่งสมาธิครับคือผมประสบอุบัติเหตุทําให้เล็บมือหลุดออกไปสองเล็บพอตอนข้าผมได้ทําสมาธิพอสมาธิเริ่มสงบแล้วเกิดความคิดว่าผมกําลังขอดเก็ตปลาในสมัยอดีตภาพนั้นชัดเจนมากผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือนี่คือนิมิตครับ ก็อย <S an> ่าไปสนใจว่าม <an> ันน <an> ิมิตหรือมันเป็นความคิดให้สนใจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปก่อนปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรารู้เราเห็นอะไรว่ามันเป็นอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าเราฉลาดเราก็ปล่อยวางไปพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เราอย่าเอามาอนันมาแบกมาหามาทำให้เราทุกข์กังวลใจถ้าเรามาทำให้เราทุกข์กังวลใจอันนี้เราก็ผิดเหมือนกับเอาของที่เราเห็นมาตีศีษะเราไปเห็นเคาะเห็นเห็นค้อนก็หยิบมาตีศีษะเราทำไมไม่ปล่อยมันนลื่โยนมันทิ้งไปเอามาเคาะศีษะเราให้เจ็บไปทาไมเอานิมิตรต่างๆที่เราเห็นมาทำให้เราไม่สบายใจทาไม ก็คิดว่ามันเป็นเป็นนิมิตเท่านั้นเองเป็นภาพเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเรามีหน้าที่รักษาใจเราเพียง อ, อย่างเดียวอย่าให้อะไรมาทำให้ใจของเราต้องวุ่นวายต้องต้องทุกกับมันคำถามต่อไปจากคุณนันิดานะครับเมื่อคืนก่อนทาสมาธิแล้วรู้สึกจิตวูบดิ่งลงนี่หมายความว่าอย่างไงคะ ก็ม า, า ม, งงามายความว่ารู้วุบเด้งลงอะไรย้หมายคําว่าไงก็เรียกว่าสงบก็ได้มันสงบหรือเปล่ามันเด้งลงแล้วมันยังคิดอยู่หรือเปล่าอถ้ามันยังคิดอยู่มันก็ยังไม่สงบถ้ามันเด้ ง, งแล้วแล้วมันเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่คิดอะไรเที่เขาเรียกว่าสงบเป็นสมาธิหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเท่านี้ครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมยังถามได้อยู่นะอะ งั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งขอดื่มน้ํำหน่อยเพื่อใครยังยังจะส่งข้อความเข้ามาอีกก็จะได้ตอบไปสองสามข้อความได้อการปฏิบัติของเรานี้ยเราต้องการทําใจให้สงบยันไม่ว่าอะไรจะมาสัมผัสกับใจเราพยายามอย่าไปให้มันมาทําให้เราไม่สงบถ้ามันจะทําให้เราไม่สงบนี้เราต้องตัดมันด้วยปัญญาหรือตัดมันด้วยสติ เช่นถ้าภาพมันโผล่ขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็พุโทโธอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเหมือนเสียงที่เขาพูดพูดเสร็จแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่เอามาคิดต่อมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเอามาคิดต่อว่า เ, เขาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราผู้ที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่คนที่พูด เราเนะ่ะเป็นผู้ที่เอามาพูดเองพูดแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่าอยู่ในใจของเราเขาพูดของเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราไม่เอามาเข้ามาเราก็ลืมไปแล้วแต่เราชอบเอามาคิดเอามาจำกันแล้วก็มามาร้องหม่มร้องไห้มาเสีย อ, อกเสียใจจากความคิดของเราเองเราไม่มีตอนนี้ไม่มีสติกัน พอมันอะไรมาสัมผัสปั๊บแทนที่จะปล่อยมันไปมันไปแล้วกลับดึงมันกลับมามาคิดอยู่เรื่อยๆเขาดา่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนบ่ายนี่ยังทุกอยู่อคนด่าเขาไม่รู้แล้วว่าเขาด่าอะไรไปบ้างก็ลืมไม่หมดแล้วไอคนที่ถูกด่านี่ไม่ลืมนี่นเราต้องลืมมันด้วยการใช้พุโทโธเวลามันจะเข้ามาในใจเราแล้วก็ใช้พุโทโธปิดไว้พุโทโธพุโทโธอย่าไปรับมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป มาแล้วยังมีของคุณคุณอภิรัตน์นะฮ ะ, ะทำบุญด้วยเช็คแต่หลวงพ่อไม่นำไปขึ้นเงินแล้วเราจะได้บุญใหม่ครับ ถ, ถ้ายังไม่ออกจากบัญชีเราก็ยังไม่ได้บุญก็ทำใหม่สิทาใหม่คำถามสุดท้ายนะครับคุณสุชาตนะครับ เ, เวลานั่งสมาธิไม่แน่ใจว่าหลับหรือสงบทำไงดีครับ ถ้าหลับมันจะไม่รู้ถ้าไม่แน่ใจก็แสดงว่าหลับถ้าสงบจริงมันมันจะรู้มันจะตื่นเต้นมันจะมหัศจรรย์ใจมันจะเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นถ้ามันมันไม่รู้ก็แสดงหรืมันสงสัยไม่แน่ใจก็แสดงว่ามันหลับเพราะว่าการนั่งสมาธิมันต้องรู้ตลอดเวลาเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันตอนนี้เรารู้ตลอดเวลาว่าเราหลับหรือไม่หลับมีการรับรู้อยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าไม่หลับ พอไม่มีการรับรู้ก็แสดงว่าหลับมีอยากจะถามปัญหาแล้วเปล่าที่มานั่งตรงนี้เปล่านะ เ, ออเพราะว่าคำถามจะหมดแล้วยังหมหมดแล้วยังเหลืออีกคำถามเดียวครับาจากคุณชุตมนนะครับคนที่แลกธนบัตรที่ระลึกไปแล้วเอาไปขายต่อ ในราคาที่สูงกว่าที่ไปแรกมาบาบไหมคะเช่นแรกมาราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วไปขายต่อในราคาสองร้อยบาทถ้าไม่ไปโกโหกหลอกลวงเขาว่าซื้อมาสองร้อยก็ไม่บากก็บอกเขาว่าเราหรือไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเขาไม่ถามเราไม่บอกเขาเราขายของเหมือนเราซื้อที่เดินมาเราซื้อมาแสนหนึ่งแล้วเราจะไปขายสองแสนนี่มันบาบเปล่ามันก็ไม่บาบเราไปซื้อธนบัตรมารอยหนึ่งแล้วเราขายสองร้อยบาบเปล่า มันอยู่ที่คนซื้อยินดีจะซื้อไม่ซื้อถ้าคนยินคนซื้อก็ยินดีก็ไม่บาปถ้าเราไม่ไปหลอกเขาไปโกหกหลอกลวงเขามันก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปโกหกหลอกลวงเขาว่าโอ้ที่ตรงนี้ดีนะซื้อเราจะจะขายได้เป็นอีกสิบเท่าอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเราขายกับขาดทุนอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ก็บาปเพราะเป็นการโกหกหลอกลวงกันเนะ่ยหมดแล้วใช่ไหม มีอีกหน่งขครับถ้ามีก็เอาไปเรื่อยๆครับ จ, <อ>จากคุณนุชนาฏนะครับรบควนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาการสวดมนต์กับนั่งสมาธิควรเลือกทําอย่างไหนดีคะเราทำอย่างไหนได้เราก็ทําอย่างนั้นคนที่สวดมนต์ก็เพราะว่าเขานั่งสมาธิยังไม่ได้เขาเลยต้องสวดมนต์ไปก่อนคนที่นั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องสวดให้เสียเวลาเพราะสวดมนต์นี้ได้ความสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิ หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับมีใครอยากจะถามอีกไหมให้โอกาสครั้งสุดทา้ายนั่นนะเดี๋ยวพอปิดไม้ปั๊บก็มาเลยอถ้าไม่มีอะไรก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ